ฉันยังไม่อาจจะเข้าใจฝืนยอมรับความเป็นจริงเมื่อถูเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอ ฉันมันไม่ดีไม่ตรงตามที่เธอต้องการคิดไว้แล้วเรื่องราวคงจบไม่สวยงามฟื้นยอมรับความเป็นจริงเมื่อทูกเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอ ขอบคุณช่วยบอกกันสักคำ